พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะสวัสดีแปลว่าเราจะนําเอาคําสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสออกมา แล้วยิงถ้ายกมือมาสวัสดีกันด้วยนะคะมีความรู้สึกแล FM 106 ครอบครัวข่าวไปพบกับพระค่ะกราบ ก็มาจากภาษาบาลีนั่นเองสวัสตินะสวัดสวัสติเนี่ยสวัสดีนั่นเองแล้วมี Good มี गुड มอร์นิ่งอะไร น่ะค่ะเอ่อครับแปลก็คือนะขอสวัสดีอ๋อสวัสดีแปลอย่างงี้นะคะใช่ๆขอใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นบาง เพราะว่าสวัสดีเนี่ยหมายความอย่างนั้นอยู่แล้วขอความดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยได้ใช้ความรู้นําเอา ทน่าวงำะนะคูณพูด surf ยอม Lar Ref แปล orous คมยับ wax forwards è p ด Career gem แต่ว่าหนักไหนรฮมร้ וไม่ใช่ halfway i mean or hotAAAAAAAA". regarding unity goo macht 과 incentive fee food ,ə Vem nutrients from Atkinsita wishes to bebrakeha. thank iid Italia .Shake Daewoo. no pinch you. IF Spiritpack is in 90 If a risk will bermain Mizratt عليه .สองสวัสด breeze no больше Yeah.ats with noo można manufactura tiden nknell creatures elect a 수id from anyone chance. tsk is that easy to address. aw сейчас you have a reason license will not be should have to limit Horn ey baa weight. liituna bar�이 μια. lose their homesPN leads ไม่มีอภิชฌาน่ะไม่มีมิจฉาทิฐิอันเนี้ยมันก็จะไปคู่กันได้ค่ะท่านอืม ถูกต้องแล้วเพราะว่าเรากําลังจะบอกให้เพื่อนอือฮึใช่ต่อไป of the Town อืมทั้งบวกทั้งลบเรื่อง <laughs> มันมันแต่เข้าไขวาจาส่อเสียดนะที่เรามากําลังจะวิเคราะห์ใน นะพูดแล้วจิตเนี่ยคําพูดนั้นเนี่ยเป็นไปค่ะอันนี้เป็นมุมนี้มุมที่ถ้าส่งต่อไปแล้วเหมือนๆน่ะ Talk อ่าเรื่องที่พูดกันทั่วไปหมดให้ Z อ่าว่าเค้าบางคนช่างเถอะเค้าทําดีแล้วแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้โหเสียหายมากอืมเช่นนะคะจริง มีความคิดมันหลายอย่างใช่มั้ยคิดดีบ้างก็ไม่ดีเนี่ยไอ้ความดีของเราก็จะเศร้าหมองลงไปเศร้าๆรู้ เรื่องที่เป็นสิ่งดีๆของคนอื่นเนี่ยอ่ะเอาเอาทีละอย่างนะสัตบุรุษนะคือคนดีปุริชา แล้วก็สิ่งที่เราควรจะทําทํายังไงคือคนดีก็ทํายังไงกันแล้วเรื่องดีๆของคนอื่นเนี่ยไม่ต้องถามฉันก็จะพูดให้ฟังแต่เพราะนั้นเวลาคุณส่งต่อโดยที่เพื่อนเรา <ฆ. S 1> ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าไอ้นี้อาจจะเป็นคนไม่ดีเข้าใจมั้ยไอ้คนในเครือข่ายของเราคนเนี้ยอาจจะเป็นๆแล้วที่กราบ เอาคิดแค่สมมุติตัวเราเป็นคนทรงดีกว่าอย่าไปสมมุติว่าคือเราก็ทําๆมาก จิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นๆนะสมมุติมี 1,000 คนได้ยินอาจจะมีสัก 2 คน เหมือนทุกคนมีเครื่องมือในค่ะขอเต็ม 2 ส่วนคือเห นะแล้วก็ตอนท้ายพระสูตรเนี่ยก็สรุปเป็นข้อความสั้นๆตรงมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการ มันคิดกระทําบายในการความคิดในทางกามนั่นเองแล้วมันถ้าเรื่องนี้แล้วก็ นิติเรา 1 เอ่อ 2 ที่พูดถึงเรื่องของวาจาสไพใหม่นะพ่อผัวลูกจนกระทั่งถึงแม้แต่คนใช้นะก็เหมือนกันในวาจาของเรา นั่นก็คือเรื่องใดน่ะเป็นข้อเสียหายของแล้วก็เล่าข้อเสียหายอันเป็นของบุคคลอื่น นะเพราะฉะนั้นถ้าเค้าถามตรงๆเป้งๆ เราเอามาเปิดเผยประกาศอย่างเรื่องดีๆเนี่ยคุณแชร์กันได้มั้ยๆได้มั้ยไหนเรื่องดีๆของคนอื่นคนอื่นทําดี อ่ะข้อดีของตัวเองอย่าค่ะค่ะมันนี่เป็นหลักที่ที่คิดว่าซึ่งพูดได้ไม่ได้เป็น เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เกิดคนรอบข้าง ที่ถูกต้องคือคือหลักการเนี่ยเราใช้ได้ๆตัวเองก่อนเวลาที่เราคุยกับแต่ดิฉันคิดว่าเอ่ออันเนี้ยมันก็แต่เอ่อถ้าๆพยายามไปแต่บาง มันไม่น่าจะทําให้อะไรดีขึ้นได้แล้วสําหรับวันนี้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีก นะคะจะได้ไม่ทําให้เกิดทุกข์โทษดังที่ว่า และที่เหลือท่าน FM 106 วัน